สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยวินเนอร์99สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณ X เราเคยคุยกันแล้วเนาะยังครับผมยังไม่เคยครับครั้งแรกครับอันนี้ครั้งแรกหรอใช่ครับแต่ฟังสวัสดีคำคำแรกเนี่ยผมคิดถึงใครรู้ปะ คิดถึงคุณวิกเซลแมนเสียงแบบโทนโทนตำต่ำเหมือนกันเลยไอต้นผมเออนะคุณเอ็กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนจากขอนแก่นครับพี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะใช่ครับโอ้แต่เสียงเหมือนจริงคล้ายๆเลยฮะนะฮะอันนี้เป็นการคุยการครั้งแรกระหว่างเราเนาะครับผมนะครับเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคุณกบป้าอ่าไม่ได้ฟังครับเสครโอ้ต้องต้องฟังย้อนหลังเลยนะเรื่องเนี้ยโอ้ยแล้วตั้งใจฟังให้ตั้ง ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะสุดจริงเออคืนนี้เนี่ยความสนุกตื่นเต้นของเราค่อยๆทวีคูณเพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังคุณเอ็เอ่อประมาณตอนนี้จเอ็กซเท่าไหร่ครับปีนี้ผมสี่สิบเอ็ดแล้วครับเราเท่ากันครับประมาณสักประมาณสักยี่สิบกว่าปีครับพี่ยี่สิบกว่าปีครับผมช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นอ๋อนะฮะ ริ่มได้ไหมครับได้เลยครับเอ่อตอนนี้ผมต้องต้องขอเท้าความเรื่องดีเทลหน่อก่อนนะครับเดี๋ยวอยากให้ ค, นคนุณคุณดูฟังได้ไในภาพออ ก, อกนะครับผมว่าสมัยก่อนเป็นยังไงนะฮะในยุคในยุคเอ่อที่เดอรรุ่นแบบมอ 1, หนึ่งมอสองนี่ก็เท่าไหรนคือสมัยนั้นคือเด็กสมัยรุ่นผมเนี่ยบางทีมีโซเชียลมันไม่มีรถมอไซค์นะคมันมีจักรยานแล้วก็อิดเทิร์มเนี่ยจะชอบตะเวนไปเล่นน้ํากันออื บ้านผมจะอยู่ชานเมืองนิดนึงออกออกมาจากตัวเมืองป ม, มาสักห้ากิโลครับพี่ครับครับก็เด็กชันเมืองนี่พี่เนาะก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรทํานะ<ม>ก็เลยออกไปตัวไเล่นน้ํากันยิงกระปอมกันหาเล่นอะไรตามภาษานรพี่จนประมาณเรื่องมันเกิดขึ้นคือวันนั้นประมาณสักปลายแก่ๆประมาณสักบ่ายสามก็เลยเอ่อไปเล่นกันที่แถวแถวป่าปช้าเก่า<ม>ซึ่งป่าช้าเก่าตรงนี้เนี่ย กำลังจะสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมครับครับทำการขุดบ่อน้ําขึ้นมาแต่ว่าบ่อน้ําเนี่ยติดกับวัดอืมทางทางผู้ใหญ่เนี่ยในหมู่บ้านกับพ่อแม่เนี่ยก็สั่งห้ามพวกผมนะว่าห้ามไปเล่นตรงจุดนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะ น, น่ากลัวครับบ่อมันลึกด้วยครับบ่อ น, นี้เนี่ยประวัตินี่ก็คือขุดได้ไม่นานนะประมาณสักปีมืงแต่ว่าขุดไว้เพื่อเอาไวใ้ให้ให้พระสงฆ์เพื่อ เอ่อที่ที่้องให้ผาเป็นเป็นบ่อน้ำสี่เหลี่ยมเนาะเราก็จะมีไม้กระดานเพื่อให้พ้าเนี่ยไปตักน้ําอยู่กลางน้ําเนาะนะฮะบางวันวันนั้นผมกับเพื่อนสี่คนน่าจะมี<ป>มขอจำขอจําลองชื่อนะครับพี่ด้วยที่จริงนะครับครับเอ่อมีผมนี่หนึ่งสองสามนะฮะไปเล่นน้ํากันปก ต, ติผมเนี่ยผมเป็นคนที่ขี่ขาดตาขาวเนาะ<ม>จะเล่นริมฝัง่งเพื่เพื่อนสามคนจะเล่นกัน น้ำตามปกติแล้วก็ผมวมเป็นคนที่เดินเล็กที่สุดครับไม่รู้ว่าอะไรตนใจนะพี่เนาะผมเห็นเพื่อนเพื่อนชื่อหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยครับเอากวักมือเรียกผมที่กลางน้ําอืมผมก็เลยเดินหลอกหลอไม้ไปนะพี่เนอะไม้ไม้ที่อยู่กลางน้ําหาะไปมันก็ปากมือเรื่อจนถึงปุ๊บมันก็มุดน้ําลงไปเนาะครับ ผมก็โดดลงไปตามไปเพอาะุ้นเดียวเลยพี่ขู่น้ำดื้อครับอืองรู้สึกตอนนั้นคือเราไปน้ำไม่เต็มพี่ค่ะอ้าวแล้วเราไปน้ําคือมันมันมันเหมือนกับว่าเรามันเมีอะไรโดนใจให้เราไปอะพี่เหมือนเราเหมือนในพวันนี้เนี่ยเหรอไม่ไม่ใช่พวันพี่คือเพื่อนเชวนลงไปอแล้วเพื่อนคนนี้เขาโตโตไงพี่แล้วเขาแต่ตะปุ่นแล้ชอบเกาะหลังเขาอ่ะครับครับครับขาผมก็โดดลงตุ่มลงไปพี่แต่ที้มันไม่มีเพื่อนอะพี่ ครับพอโดดตูมไปอ่าตามหลักแล้วโดดปุ๊บเราเรามนุษย์ตัวเรานะฮะมันจะเด้งขึ้นมาจากน้ำเนาะสักแป๊ดหนึ่งใช่ไหมครัผมเนี่ยเห็นเพื่อนอีกสามคนอยู่ฝั่งน่ะอ่าวเราผมก็อยู่กลางน้ําเลยที่อืแล้วก็จากนั้นมาเขาก็ค่อยๆจมเขเคยจมดีค่อยๆจมคือความรู้สึกตอนนั้นอยากอธิบายว่ามันร้อนผมเท่าทุกวันนี้นะคือหนึ่ง มันเรากินน้ำเข้าไปเยอะมันรู้สึกทรมานเราก็ค่อยจมดิงดิงดิลงไปพี่จากที่เราไปเจ็บตะกายนะะพยายามตะโกนยิ่งตะโกนน้ําก็ยิ่งเข้าปากเข้าจมูกแล้วก็พอเราเริ่มหมดแรงพี่มันจะกลายเป็นเหนื่อยแล้วง่วงจากนั้นพอง่วเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มมืดแล้วหนาวตอนนั้นผมคิดว่าผมไปแล้วนะพี่นี่คือในใจแล้วคิดนะฮะคิดว่าไปแล้ จู่บังเอิญนะฮะบังเอิญเลยผมรู้สึกว่ามีมือคนคนหนึ่งเนี่ยมาจับคอเสื้อผมครับแล้วดึงขึ้นอือคือที่ที่จะเคยเคยเคยเคยมุดน้ำมานานีลยครแต่บอกว่าสักครึ่งนาทีเนี่ยมืดๆครับอ่าแล้วก็โผแบบมันแล้วเกิดใหม่พี่อือมันมุดขึ้นมาใช่ครับอือๆผมลืมตานเสักสักครู่นะะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดึงคอเสื้อลากผมครับ ไปทิงไปไปท้งเลยแบบทิงทิงไว้ขอบอกเพื่อนคือไอ้หนึ่งเนี่ยเป็นคนลากผมสองกับสามก็ยืนดู<ะ>ตอนนั้นผมผมผมผมเขาเรียกอะไรนะพี่ปลักหลุดรอเปล่าฮะ ห, ห, หรือว่าหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่า<ะ>คือสติไปละไม่รู้เรื่องแต่ผมรู้สึกแค่ว่ามีมี ม, ม, มีคนมากดที่หน้าอก เพนเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยไปจุดนั้นทําไมออแล้วเพื่อนผมมีเห็ น, หน้ายเหมือผมนะพี่ไอ้หนึ่ง อ, ะ อ, อ่ะอ่าสองสองเป็นคนเห็นหนึ่งเป็นคนไปช่วยสามเนี่ยเป็นคนหาออืครับผมเสร็จปุ๊บเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเขาเอาผมขึ้นมาพาดบ่าแล้วก็กดแล้วก็พายปอดอะไรประมาณนี้ตามตามที่เด็กเด็กเด็กที่จะทาได้พี่แต่ตอนนั้นผมผมฟื้นไงผมคืนกลับมาอสองบอกว่าผมเนี่ยไปแล้วประมาณนาทีหนึ่ง สามกลังจะเตรียมไปวิ่งวิ่งไปตามผู้ใหญ่ครับจากนั้นผมก็นั่งตั้งสติเนาะพี่เนาะเพื่อนอีกสามคนก็นั่งนั่งล้อมวงกันลิ่มน้ำนํำในที่ตอนที่ผมไปนังตั้งสติเนี่ยผมแสบแสบตามากตอนจักรตารแล้วก็เอ่อกวกมาไปน้ําไปเรื่อยๆแต่ตาตัวเองนะ่ะไปเหลือไปเห็นตรงตรงตรงไม้ปลายไม้พี่เป็นพี่แจเคยเห็นหน้าผู้หญิงผมยาวแต่ว่าผมมาขึ้นหน้าไหมครัครับครับ ครับผมตอนนั้นโพลีเพล้วพี่อืมทีนี้พอผมได้สติได้ก็เริ่มเดินได้เนาะเพื่อนก็พยุงผมเลยขอรอ้องเพนว่าอย่าบอกพ่อกับแม่ผมได้ไหมยอย่าบอกว่าเราจมน้ําใช่ครับอืออ๋อยังไงผมโดนการมยอมแน่นอนผมผมคือหลอังจกล่อตายก็กลัวการมายอมแล้วครับพี่ลยครับเสร็จปุ๊บผมกลับบ้านไปครับผมก็ไข้ขึ้นเนาะอืมเอ่อึ้นนั้นเป็นวันฝนเป็นวันฝนตกรครับฝนตกแรงมากครับตอนเย็นจนถึงเออ่ประมาณสัก อืออีกถึงนิดนึงสามสี่ทุ่มคือสมัยสมัยนั้นนี่สามทุ่มนี่สองสองสามทุ่มเนี่ยแถวชานเมืองนี้จะเงียบมากพี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีผ่านอะไม่ต้คนปั่จักรยานก็ปูนานนานทีอับผมผมปลูป่ผมไม่ครอบครัใหญ่นะครับพี่พ่อกับปู่ก็จะปลูกมากินข้าวออืแต่เวลาปู่ผมเนี่ยคุณปู่คุยนี่ใส่แกเนี่ยก่อนแกจะปิด บ, บ้านแกจะเดินตำรวจตำรวจรอบบ้านก่อน เอ่อเมืภาพตามนะครับพี่บ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านครอบครัวใหญ่มีเมื้อที่หน้าบ้านกับหลังบ้านเป็นสวนครับมีรั้วมะขามมีรั้วเต้นมะขามมะขามแขกประมาณสักเอ่อสักสักหลายผู้ใหญ่อรัพี่ครับแต่ท่วมพอเด็กนะฮะอืหน้าบ้านประตูเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลื่อนครับปู่ผมก็เลยแกก็เลยคุยกับพ่อผมว่ามีใครมายืนหน้าบ้านอืม นะฮตอนนั้นตอนนั้นเสียงฝนฝนฝนฝนโดนตักทศรีก็พังพังแล้วพี่เนาะ<ม>พ่อผมก็ส่องดูปูก็เลแต่ปู่ปู่ไม่ทักนะฮ ะ, ะแต่เสียงที่เต่ากลับมาเนี่ยมันดังมาจากหน้าบ้านประมาณสักสสิบเมตรนะพอ่ครับดังดังอันนี้อันนี้เท่านผมจําได้นะเสียงดัง ม, มาสิมาจิอือครับผมเสียงเนาะอ๋อมาสิมาสิ ประมาณนี้ครับประมาณมาสิมาสิอย่างเงี้ยครับครับกูผมก็บอกอย่าไปสนใจเลยอาจจะเป็นคนเอ่อคนไม่เต็มฮะพีคนคนนี้เต็มในหมู่บ้านหรือว่าเอ่อแล้วแม่เอ่อหมู่บ้านใก้เคียงก็จากนั้นคือแรกสันไปครับก็ไม่มีอะไรครับวันนั้นวันเสาร์ที่ผมเล่นน้ำจำเรียนใช่ไหมพี่อืมวันต่อมาถึงชัาเป็นวันอาทิตย์กลางวันก็ไม่มีอะไรไปขึ้นผมก็ริ้สดีขึ้นละแต่ว่าก็ยังแสบยังมีอาการป่วยอยู่ออื พอคืนที่สองครับคืนวันอาทิตย์โซนลิ่งเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับพี่ปู<ช>่ผมก็จะเดินรอบหมู่รอบร อ, บ, อ, บ, อ, บ, อ บ, บ้านเนาะเพ<ช>ื<ช>่อสํารวจควาเรียบร้อยใช่ไหมฮะพ่อกับปู่ปู่นี่เรียกเรียกพ่อมาคอือว่ามีมีมีรูกเหมือนมีคนมาเดินรอบบ้านเลยอ ค, ครับเป็นคนเป็นเป็นปู่บอกว่าจะเป็นจะเป็นประมาณว่าเป็นเป็นคนผมยาวปู่เพราะว่าต้นมะขามนี่ มันเท่า่ออมันมันเท่าไหร่นะพี่เนาะเวลาเดินก็จะเห็นคอของหัวใช่ไหมครับเดินเสียงมันเดิมก็ที่ฮุมฮุมไม่จริงไม่จริงครับพอเริ่มอีจใจละปูกก็เลยเดินขึ้นบนบ้านแล้วทูบมาออืมาจุดกลางฝนแล้วก็จุดสายพภรูมิสายภูมิน้าบ้านก็พี่เนาะเสร็จ ป, ปุ๊บผ่านึ้นนั้นไปที่ฝนก็ยังตกอื่ออยืว ผมเสียงนั้นก็ยังที่เชื่อไม่เชื่อนั้นเนี่ยมันมีไปมาเป็นระยะรอบบ้านเลยครับพี่พี่จะเคยได้ยินคนเสียงคนเอ่มพันธุ์คนเดียวแหละจะเดินเดินรอบรอบๆตัวพี่ไหม น, นี่คือได้ยินทางบ้านบ้าได้ยินทางบ้านครับจนจนรู้สึกว่าอตอนเช้าพ่อผมสงสัยแต่เรื่องมันมันหายสงสัยคื อ, อ, อหนึ่งพ่อของพ่อพ่อของสอง พ่อขอขงรคับ<ะ>มาพ่อผมที่บ้านเพราะว่าบ้านบ้านผมเนี่ยบ้านผมบ้านหนึ่งมัตสอมัตามจะจะติดกันเลยครับครับอ่าจะติดกันแล้วก็เป็นลูกคณะธน า, ศ า, ศาคาร้วพี่เนาะอือม<ะ>แล้วก็จะมีการอพยพอาศัยกันเดินมาหน้าบ้านแล้ื<ะ>ก็จะมีเรื่องมาคุยกันเอ่าพ่อของสองมาบอกผมว่าเมื<ะ>่อวานนะลูกเกือบตายแล้ว<ะ>แต่ว่าเอหนึ่งมีช่วยไว้ครับพี่ พ่อผมบองอ้อเลยครับออือก็เลยบอกปู่ บ, บอกแม่ปู่พ่อแม่ก็เลยตัดสินใจพาไปหาหลวงตาที่แกศรานะฮะในวัดวัดในในเมืองนะครับตอนที่ท่านมาแล้พักแล้วล่ะครั บ, รบผมผมจำเก็้ผมยังจำไปได้นะอ อ, อะพอไปปุ๊บท่านทักเลยครั บ, รบปล่อยให้ลูกไปได้ยังไงอืเคยบอกแล้วใช่ไหมว่ามันจะถึงคาด ครับครับพ่อกับแม่แล้วก็ปู่ไม่พูดอะไรหลวงตาท่านก็นเลยเรียกผมไปแล้วก็เอาตะกุดผูกแขนมาผูกให้ออืแล้วก็แกก็บริกรรมคาถานิดนิดหน่อยที่แล้วก็แกก็เอาอ่าพี่เห็นว่าเสกินไหมครับครับครับครับผมเอาให้พ่อบอกว่ากลับบ้านไปเนี่ยให้เอาเซงขโมเสกินเนี่ยล้อมบ้านเลยอืครับผมห้ามผมออกบ้านเจ็ดวันครับไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้น เพราะว่าผมอะรู้ถึงคาดละเขาจะมาเอาคืนอืมผมฟังรู้เรื่องแค่นี้นะแต่เป็นความได้ที่พี่ที่พี่เอดคุยกันนะครับพ่อกลับบ้านไปปั๊บก็เเหมือนเดิมฮะก็คือพ่อผมก็านอนเพราอะไรทุกอย่างแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะพี่ประมาณสักสามวันฮะผมไม่เจอเพื่อนเลย ก็ไม่ไม่เจอเพื่อนสามคนนะครเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ออกบ้านไงพี่แต่ก็ยังเห็นเพื่อนี้วิ่งเล่นนะก็คือขี่จากปัน า, ก า, านจากกันผ่านบ้านไปโบกมือใส่อย่างเงี้ย <c oughs> วันที่ห้าพี่ใหม่กแล้วเหมือนเดิมฮะแต่วันนี้ฝนไ ม, ม่ตกมาทางหลังบ้านหลังบ้านผมนะฮะมันจะเป็นสวนมะม่วงเนะาะนะฮะข้ามไปก็จะเป็นเอ่าทุ่งนาพี่ทุ่งนาเนี่ยมันเป็นน้าขังเป็นเป็นอ่อคนปลูกข้าว ปู่ผมเหมือนเดิมฮะแค่ได้ยินเสียงแบบเหมือนคนที่เอาเท้าย่ําน้ำอ่ะอือะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตอนแรกแจ๊ะก่อนแจ๊ะแจ๊ะแ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเป็นเสียงนั้มตั้มตเท้าตัวหลวงแล้วก็วิ่งรอบบ้านเลยออืเหมือนเดิมพี่เสียงเสดิมแม่พี่ตาพี่ตาควรจะเหรอครับข้าผมโอเคพอผ่านพ้นไปปุ๊บพอเข้าวันที่เจ็ด ครับผมวันที่เจ็ดปุ๊บพ่อของสองกับสามนะฮะก็เข้ามาเล่นด้วยเข้ามาหาครับครับผมเอาเอาสองกระสามมาก็มาเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังอแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ยังยังไม่เอ่ยถึงข้อพูดหนึ่งนะครับแกลองเล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปาชา้าโบราณของหมู่บ้านสามหมู่บ้านซึ่งเป็นปาช้าที่เออ่จะเอาจะฝังศพที่ตายกิจธรรมชาติ ครับผมแล้วทีเนี้ยพื้นที่วัดตรงเนี้ยนะมันกว้างมากออืวัดเลยไปเลยจากที่ตรงเนี้ยให้งเรียนครึ่งหนึับซึ่งโรงเรียนเนี้ยกิีฬ า, าเฉตี่ยบ่อน้ำพระเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางไปอาบน้ําได้เพราะมีถึงกักเรียนผูน้หญิงก็เลยทําการขุดบ่อไปขึ้นมาออืระหว่างการขุดเนี้ยเจอเจอกระดูกพี่ทั้งกระดูกทั้งกระโหลกฮนะอก็ก็ได้กองหนึ่งนะพี่นะ ครับผมก็ทําการฉากวันนี้ไปแต่จะมีอยู่คือเป็นเรื่องเล่านะครับพี่ที่เคยได้ยินธรรมานายไม่ใช่ถายกระชาจริงๆเป็นเป็นเป็นเป็นยิงยานที่เก่าแก่ที่สุดอะะคือหมายถึงว่าน่าจะเป็นศพแรกที่ถูกฝังครับอยู่ในป่าใา่ครับใช่ครับในวัดนี้ซึ่งอันนี้ปู่ของปู่มเล่าให้ฟังนะปู่มันก็เล่าให้ผมฟังทว่าเป็นศพแรกซึ่งแกแกโดนฆ่าตัดหัวพร้ออบกันเนี่ยครับ กลัวแกหาไม่เจอออืแต่ทีเนี้ยเขาเลยฝังเมียกับแกเมียเมียแกเนี่ยกับแกแยกกันครับครับผมเมียแกเนี่ยปกติเนี่ยเดี๋ยวถ่ายอันนี้อย่าอยู่ในเราดีกว่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะอ้าโอเคหลังจากนั้นที่ผ่านไปเป็นเวลาผ่านไปประมาณก็ผ่านไปนสักเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเริ่มเปิดเทอมที่ที่เชื่อไหมผมไม่เจอเพื่อนเลยออืมผมไม่เจอเพื่อนเลยครับอ เราเรียนคนละโรงเรียนแต่ว่าตอนเรียนเราต้องเจอกันตลอดครับเพราะบ้านอยู่ใกล้กันด้วยนะใช่ครับที่เราเจอเลยครับผมเจอแต่พ่อนะเจอเจอแต่พ่อหนึ่งพ่อสองพอสามเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเลยครับเป็นเรื่องของสองผมไม่เจอสองพอๆกับที่ไม่เจอสามนานพอสมควรประมาณสักหกเดือนผมก็เลยผมก็เลยถามแม่เพราะผมจะสนิทกับสองมากอเพราะบ้านติดกันคือป้าเราเนี่ย ลูกลูกลูกลูกสี่คนนะพี่สามารถเข้าออกบ้านสี่บ้านได้ครับครับผมเอผมก็เลยถามแม่ว่าแม่เห็นสองมั้งเปล่าออืยังไม่รู้เหรออืต้องรู้อะไรสองอ่ะขับรถแต่ไปชนเสาไฟฟ้าเอาผ่าตายตั้งแต่สองวันที่แล้วเล่าเอาทำไมเราไม่รู้ข่าวอะไรเลยอ่ะไม่รู้เลยครับพี่ไม่รู้อะไรเลยครับมันไม่ โอ้ยบ้านติดกันนาพ่อแม่ไม่มีกา ร, ค, รคุยกันอย่างนี้เลยเหรอที่เชื่อไหมบ้านสองไม่มีงานศพเลยเฮ้ย <Hey. S 2> ทางที่ทางที่บ้านสองเป็นบ้านเป็นเป็นลูกตำรวจนะครั บ, รบสองลูกตำรวจนะครับใช่ครับไม่มีไม่ทั้ ง, งานศพเงียบปิดข่าวไว้ออืแต่ผมมารู้ทีหลังว่าพ่อกลับอกว่าพ่อสองเสียใจมากครก็เลยเอาศพเนี่ยไปไปเป็นกระสูนที่บ้านยายออืแล้วปิดข่าวคนในหมู่บ้านไว้ว่าลูกชายลูกชายเนี่ยเสียแล้วออืครับผม ค่ะปิดข่าวเพื่อเพราะอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นน่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวเขาใช่ครับพี่ออืแม่ผมก็เพิ่งมรู้ตอนตอนตอนที่สองเสียได้เดียวเดียวครับครับผมบ้านสองก็ปกติไหมผมว่าก็ปกติก็มีการเข้าออกกันอยู่ทื่สองจะมีพี่พี่สาวคนหนึ่งนะอืมแม่บอกว่าจะถามอะไรถ้าเจอหน้าเขาวันนี้ไม่ต้องถามอะไรเลยทั้งที่ว่าเขาเสียใจมากแล้วครับ จากนั้นแต่ถึงขั้นตอที่สองเรื่องก็ผ่า น, นไปประมาณสักสักสามเดือนนะทีอ่ออผมไม่เจอเพื่อนอีแล้วอีกสคนครั บ, <น>รบแต่ก็ยังเก็บยังยั ง, ย, งยังเก็บความสงสัยว่าทําไมสองมีดักการสมถมผมไม่รู้ว่าสองเสียออืครับผมสามครับผมเเรื่องของสามเนาะสามเนี่ยผมเจอมั้งไม่เจอมั้งพี่เริ่มเจอละ สามจะเป็นคนเดียวในกลุ่มนะครับพี่พี่มีรถมอเตอร์ไซค์ในสมัยนั้นเนี่ยพี่แจ๊คเคยเห็นเออยังมาห้าแปดสิบไหมเด็กผู้ชายครับผมจะชอบอัดสีเล่นไปอย่างเงี้ยสองตอนนั้นสามสามสามสา ม, มีความฝันว่าอยากได้รถเคสักคันหนึ่งมแม่ซื้อให้ครับแม่สามซื้อให้ก็ไม่มีแล้วก็สามก็ไปขี่เล่นกับเพื่อนคือคนมีมอเตอร์ไซค์ปุ๊บจะได้เพื่อนใหม่นะพี่เนาะอ่าก็จะมีเพื่อนใหม่ เพื่อนที่ต่างหมู่บ้านก็เจอครั<ะ>บโอบมือทักทายกันจนวันหนึ่งนะฮะวันนั้นประมาณสักประดนหยุดผมจำได้ส<ะ>ี่โมงเย็น<ะ>บ้ายผมจะมีระเบียงผมก็จะปลูกเปียงนอนทางทีครับเ<ะ>ออแต่ผมเดินมาแล้วเหมือนเดิมฮะเอากระจายเข่า<ะ>เออรู้ยังไอ้สามขับรถขับรถชงสายฟ้าตายหนะ้าบิ่บึงนะือ ครับเดี๋ยวว่าพูดเป็นเล่นเงี้ยผมก็พอไหมเนาะถ้าพูกอีสานก็คือเจ้าว่าเจ้าเล่นนี่นะครับายเมื่อบ่ายเนี่ยอืศพก็ไปลงบ้านแล้วป่านนี้ถึงบ้านแล้วมั้งครับครับผมไม่เชื่อพี่ผมไปหาทิ่งไปหาตามที่บ้านเละครับผมเจอพี่สาวสาวพี่สาวสามก็เก็บไว้หางให้ตัวว่าศพกันลังจะเอาไปวัดอืบแต่ไม่เอาเข้าบ้าน เพราะว่าเผู้ทั้งผูแก่เนะพี่เนอะเขาถือว่าถ้าตายโหงไม่อยากเขายาให้เขาบ้านอยาให้ไปวัดเลยครับผมก็ชอบอีู่ในสมควรที่ก็เลยไปได้ได้ได้คือได้ไปเยี่ยมเนาะหลังจากตื่นสายสองวันผมก็ไปเยียมกับเพื่อนที่นั่งมอไซค์ไปกับสามนะฮะมันเล่ากันมนัว่าสามเนี่ยขับรถแข่คงโคับมันเป็นโค้ง แต่โค้งเลยมันไม่น่ามันไม่น้ามันไม่น่าหุดโค้งพี่เพราะมันเป็นมันไม่ใช่โค้งหักซอกพี่มันเป็นโค้งงกโค้งยื่บึงอะเป็นจริงเหมนเด็ครับครับผมแล้วสามเนี่ยมันร้องครัว่าอือคือากนั้นมาก็ภาพตัดเลยครับเฮ้ยร้องเสียงคุ้นไหมเออคุ้นคุ้นคุ้นจะไอก็ไม่ใช่ครับือเหมือนสามเนี่ยขับรถติ่งเข้าหาถอดพี่ตาเนี่ยคร เสาไฟฟ้าเสานี้ก็ยังอยู่มาเดินนะพีตครับเนี่ยเอ่อหลังจากนั้นผมก็เลยไปงานศพงานศพจับที่วัดพี่ทราบไหมครับว่าวัดที่ชาพนกิจสามเนี่ยวัดอะไรวัดวัดที่ผมเกือบส่วนทางกายครหรอวัดนั้นเลยเหรอฮะใช่ครับแล้วเออคนคนที่เสียคือิติธรรมชาติ ในสมัยก่อนบ้านผมนะฮะเขาจะไม่นิยมเผากันออืที่แจ็คเขจะนึกภาพเป้าออกไหมฮะมเป้าใส่ศพซึ่งจก่อทีเดียขึ้นมาอมพอที่จะเอาทรงศพเข้าไปได้ครับ อ, อวันนั้นเป็นวันที่สองเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนตนะ่างโรงเรียนเนาะนักเรียนในห้องนะฮะทั้งนักเรียนเลยเข้ามางานศพกันออืมผมก็ต่างโรงเรียนผมแต่ผมก็อยากเห็นหน้าเพื่อนคนสุดท้ายมผมจำนะฮะว่าผมกำลังแบกฝูงชนเข้าไปเพื่ อ, อเพื่อไป คนีสานเนี่ยเขาจะถึงว่าเปิดโลศูนยศพขั้นสุดท้ายคแล้วมาโดนนามาพาวสับเปลืดกตะโกนขึ้นมาว่าให้ถอยออกไปออืศพนี้แรงครับกินกินไอผีตายโหงแรงมากแล้วสับเปลือพูดอย่างนี้เลยฮะใช่ครับตะโกนเลยครับพี่ออืแต่เด็กมันไม่เชื่อครับเพืผมด้วยไม่เชื่อกันอยากจะดูเพื่อนสสับปลือกเลยก็เลยงัดฝาลงเลยพี่ครับเสียงฟาลงดังตั้ง ต้งเลยนะที่กินที่แทเคยได้กินมันเป็นกลิ่นสาบนะที่กินไอผีไรหัวครับคนเป็นร้อยที่แตกที่ล้อมลมที่ล้อมลงศพออกศแต่งเนี่ยหัวเนี่ยเรียกว่ามันแตกิดเข็มรอบหัวเลยสพเป็นสามวันแล้วที่แตกอืดเหมือนจนน้าตาย ผมยังจำได้กี่ตารับเพื่อนผมใส่เสื้อฮอแรแเรนเป็นจริงเป็นสีน้ําเงินมีเทปพี่ดินคิดตินต๊น่าชุดแรกอยู่ครับแม่เขาเอาไปให้เสร็จปุ๊บออก็ปิดฉาปูนแล้วก็ส่วนรถมอเตอร์ไซค์คันที่แต่งประสบอุบัตเหตุนี่ก็แม่เขาก็เอาไปจอดไว้ข้างๆเบ้ า, าครับคผมอ่าโอเคเรื่องของสามจบไปออืที่สงสัยหนึ่งนะครับว่า ห, หายไปไหคบคนที่ช่วยชีวิตผมออื เอ่อผมไม่ได้ข่าวหนึ่งตั้งแต่วันที่ผมจบน้ำนะพี่เนาะเก<ฤ>ือก็น า, านพอสมควรผมมาทราบข่าวอีกทีหนึง่งโดยจากการถามพ่อกับแม่หนึ่งเนี่ยชนิดกับผมไหมสนิดครับชนิดนะออืมาชนิดตอนปลายปลายดูยแลวดวงมาผูกชนิดกับสองใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งเนี่ยผมมาสนิดเปนช่วงช่วงช่วงก่อนเกิดเหตุแม่เลยบอกว่าพ่อหนึ่งอ่ะ ขับรถพ่อหนึ่งนี่แกเป็นตำรวจทางหัวงนะพี่บ๊อคขับรถปจอดที่เหตุเกิดุบิเหตุเสียชีวิตครับศพ<อ>แรกนะฮะพอจัดการเรื่องศพของพ่อหนึ่งได้ไม่ถึงทางครันแม่หนึ่งซึ่งเป็นพยาบาลขับรถไปเข้าเวรโ<อ>ดนรถชนตายครับเฮ้ยครับสุดท้ายครับ พี่เชอไหมผมไม่เจอหนึ่งตั้งแต่วันนั้นจถงึงวันนี้ออืไปไหนไม่รู้รใช่ครับสาบศูนย์จากหมู่บ้านเลยครับพี่<ห>สาบศูนย์ไปเลยครับผมไม่ถามผมไม่ถามหาใครเขาเขาเขาเข า, เขาไม่รู้จักอ่ะพี่เน ค, คนไม่รู้จักอ่ะ พ, พี่เลยพี่ก็ยถามหาใครสักคนไลยแล้วออืแล้วไม่รู้จักมีหรอเปล่ครับครับผมปัจจุบันบ้านหลังนี้นะครับล้างครับพี่ บ้านที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่นะเอ่อผัดจากบ้านผมไปผัดผัดจากบ้านผมไปหลังหนึงนะ่งครับสองกัางกลางออือบ้านหลังนี้หล้างนะครับครับครับตรงข้ามโรงเรียนเลยออือตอนนี้จเจริญมากเลยครับแต่พื้นที่ตรงนี้ยังล้างโลกเหมือนเดิมโอ้โ ห, เ, หเดินแปลกป่าครับไปเดินแปลป่าเข้าไปนิดนึงก็จะเจอเข้าโค้งของบ้านบ้านของหนึ่งครับครับผมออืที่ตรงนี้ ว่าผมสงสัยคำเดียวว่าถ้าคนมันมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ขารเห็นมือใช่ไหมครัหรือไม่ก็ต้องเข้ามาพักอาสัยออืแต่ถ้าไปแล้วญาติหรือญาติหรือครอบครัวก็ต้องมามาพัฒนาเพื่อให้เป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมครัพี่แต่นี่คือปล่อยล้างเลยครับอจน ท, ทุกวันนี้ผ ม, ผมผมผมไม่เจอเพื่อนผมคนนี้หนึ่งหายสาบสูญไปจากชีวิตเราเลยเหรอใช่ครับคนที่เขาช่วย<อ>ชีวิตผมครับเราเรื่องนี้เนี่ย พ่อวันนั้นน่ะอืพาผมไปหาดวงตาค่ะดวงตาเห็นว่าผมว่าผมน่าจะรู้ได้แล้วนะว่าอะไรเป็นไรนะอืดวงตาบอกว่าผมเนี่ยถึงคาดแล้วนะครับผมเกิดเอพูดกลางคืนครับผมวันที่28กรกฎาคมครับผม ม, มันเป็นอะไรที่มันตกฟ้ากกว่าดีที่ผมจะต้องเสียอืดวงตาเคยเตือนพ่อผมเลยว่าผมเนี่ยให้ช่วยเราให้ระาวาังช่วง ช่วงอายุอายุที่นี น, น, น, นี่นะแต่ต้องระวังช่วงนี้นะซึ่งผมเนี่ยเขาจะมาเอาคืนครับผมก็เลยรู้ความจริงว่อ๋อแล้วรู้ไหมว่าอันนี้อันนี้อันนี้พ่อหนึ่งสองสามไม่รู้นะทางเขาคนหนึ่งสามไม่รู้นะครับดวงตาเพิ่งมาบอกนะครับครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเสียหมดแล้วว้าวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมถึงคาดครับแต่สามคนนี้มารับแทนผมใช่ดิเออ เออวันนั้นต้องโทษนะฮะต้องเป็นวันที่เราถึงค่าเป็นวันที่เราต้องไปแล้วเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามจะเอาเราไปใช่ครับพี่พี่่ผงไปแล้วนะสองนาทีเออโทษนะคือตอนนั้นคุณเอ๊โทษนะครับผมใช้คํานี้ได้ไหมว่าตายแล้วใช่ครับ <c oughs> ผมคุยกับพี่ัตรแล้วว่าบพี่บนะัตรผมมั่นใจผมตายแล้ว น, นะพี่ผมผมภาพตัดไปละอืแล้วจ้าจิก็บูบขึ้นมาใหม่ครับโดยการปั้มจากเพื่อน แล้วก่อนก่อนที่ผมจะจ ะ, จะจะจะออกจากประติหลวงตาหลวงตาบอกว่าเฉียดตายมาแล้วนะครับต่อไปน่ะจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เห็นอจะเจอในสิ่งที่คนอื่นไม่เจอครับจะสัมผัสในสิ่งที่คนอื่นสัมผัสไม่ได้อืมยอมรับมันครับแล้วอยู่กับมันให้ได้โอ้นี่ครับเรื่องรอบดูนะหมายถึงว่ายี่สิบปดกรกฎาคม ที่ผ่านมานี่เหรอหรือว่าเป็นวันที่เกิดเหตุอ่าเป็นวันเกิดผมครับพี่เป็นวันเกิดใช่แล้ววันที่เราจมน้ำมาจําวันได้ดไหมยี่สิบแปกรกฎาคมครับพี่ อ, อ๋อโอ้ยตามที่หลวงตาบอกเป๊ะเลยอะฮะใช่ครับโอ๊ยยเชื่อมทุกวันนี้ผมโดนสงสัยแล้วว่าเพื่อนผม ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกโทษตัวเองนะพี่นะอืผมคุยกับี่บั๋ว่าเดี๋ยวเดี๋ยผมผมรบกวนคุณเอ็กโทษนะฮะออกหายจาก พ, พากันลมนิดได้ไหมต่อได <laughs> โอ้โอเคโอเคอืมอืมหา้หาห้าอ่ะเมื่อกี้พูดว่าพูดถึง <ผม S 1> เพื่อนคุณถือพี่ปั๋วได้นนครับว่าผมไม่ต้องเห็นให้เพื่อนต้องตายใช่ไหมโอ้โหจะบอกว่าอย่างนั้นมันมันผมว่านะมันต่างกรรมต่างวาระอะ ถ้ารเราคิดอย่างนั้นนะคุณเอ็กนะคุณเอ็กจะดำเนินชีวิตลำบากครับดำเนินชีวิตต่อไปลำบากแน่นอนผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของต่างกามต่างวาระมันเป็นเรื่องของของ เ, ออเวลาใครเวลามันซะมากกว่านี่สิ่งหนึ่งนะครับ<อ>ทุกวันนี้นะครับที่บ้านสีหลังเนี้ยถูกเปลี่ยนมือหมดเลยครับอ่าอยู่มันอยู่ไม่ได้พี่ครับ ครับผมแล้วทุกครั้งที่ผมผ่านอย่เช่นนี้ยผมจะต้องมองดูมองดูบ้านเพื่อนคนที่สองมองดูบ้เพื่อนคนที่หนึ่งมองดูบ้านเพื่อนคนที่สาม น, น, นี้ฮนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันด้วัยเด็กเราเคยมีเพื่อนนะอืมแต่ตอนนี้เพื่อนเราไปไหนอเนี่ยคี่โอ้ยเรื่องเมื่อกี้เรื่องเมื่ อ, อนี้ครับเรื่องเมื่อกี้ก็พีคแล้วนะเรื่องนี้ผมว่าโอมันโหดหูไปมากกว่าเดิมอีกเอออย่างนี้คุณคุณคุณเอ็กครับคือผมก็พูดหลายครั้งนะว่าเรื่องของ ชีวิตคนเรามันต้องดําเนินต่อไปครับเราผ่านตรงจุดนั้นมาละแล้วเราก็อย่าโทษตัวเองถ้าเมื่อไหรเรามโมจะโทษตัวเองอ่ะครับมันจะดําเนินชีวิตต่อไปลําบากมากมันจะทําให้กลายเป็นแผลที่มันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนทัศนคติสมัยเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่แต่ทุกวันนี้ก็คิดใ่าง่ดีนะครับว่าเรามีเพื่อนดีๆสาคนไงพี่ครับ คับผมเพื่อนที่เรารักสามคนในความทรงจำนนะเพื่อนในความสรงจำครับผมอืมแล้วก็ในในจุดกําเนิดต้นเรื่องนี่นะที่เออ่ผมก็ได้เจออะไรเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจมาเร่าให้เปนทางต่างเรื่อยๆครับผมบเอาอย่างนี้ผมว่านะวันหนึงเราอาจจะได้เจอเพื่อนคนนี้ก็ได้ครับผมเชื่อเธอคิดก็ ก็หวังนะผมหวังหวังว่าจะได้เจอเขาสักครั้งหนึ่งนะเจอเขาก็ได้มีโอกาสน่าจะได้พูดคุยกันว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเชื่อสิว่าเขาต้องมีเรื่องมาเล่าให้เราฟังแน่นอนครับเนาะคือทั้งหมดเลยนะคุณคุณคุณเอ็กนะนะครับอยู่กับมันให้ได้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นมาละมันไม่ได้เป็น เรื่องที่เราสร้างขึ้นมาแต่มันมีอะไรบางอย่างพยายามที่จะโยงมาถึงเราเรามองไปเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรก็แล้วกันเขาเอาเราไปไม่ได้แต่เขาจะเอาเพื่อนเราไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ทั้งหมดเลยฮะต่างกรรมต่างวาระอย่าโทษตัวเองพี่แจ๊คพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วผมคิดถึงคำพูดของลุงตาเลยครับเขาจะเอาราไปให้ได้ โอ้โหคำนี้แบบเขาบอกอันนี้ดวงตาบอกแม่ผมน ะ, ะเขาจะเอามันมันไปให้ได้ออืแต่มีคนมาช่วยไปก่อนเขาจะเอาพวกนี้ไปแทนเหมือนกับเพื่อนนมาต่อชีวิตให้เราใช่ครับพี่แต่การาำว่าจะต่อชีวิตมันมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือการช่วยเหลือกันมากกว่าแน่นอนว่าต่อให้ไม่วันนั้นไม่ใช่เพื่อนอยู่ตรงนั้นรหรือมีคนอื่นอยู่ยังไงเขาก็ต้องช่วยคุณเอ็อยู่แล้วถูกปะ เออมันคือการช่วยเหลือกันถ้าวันนี้กลับกันวันนั้นไม่ใช่คุณเอ็ที่เป็นคนจมน้ําเป็นเพื่อนคุณเอ็ ก, ก็ต้องช่วยเพื่อนเหมือนกันใช่ครับถูกไหมถูกเออนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองครับนะทุกอย่างมันถูกกําหนดมันถูกขีดเขียนมันถูกลิขิตเอาไว้แลับนะครับสู้กับเวลาที่เรายังมีอยู่ตรงเนี้ยทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุด นะครับพ oh. okay, okay. uh, ี่เป็นังไงบ้างครับพี่ผมเราโอ้ยโอเคโอเคเต้นอยู่ฟังจากน้ําเสียงคุณเอกก็ตื่นเต้นแต่ก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบเฮ้ยผมผมผมเข้าใจความรู้สึกนะครับของของคนที่ผ่านตรงจุดนี้มานะเพราะผมฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะคือผมไม่เคยตายนะควณผู้ฟังนะครับแต่คืนี้วมันแต่ตอนนั้นคือผมผมไม่ได้นาเลยครับผมผมมเข้าใจเออมันเป็นปมอ่ะมันเป็นปมที่อย่ในใจว่า คนที่มันเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเนี่ยอย่างน้อยมันจะขยาดเลยว่าอุ้ยท่าน้ําเนี่ยจะกลัวเหมือนผมที่เคยล่างไว้ฟังว่าผมจะกลัวน้ําตกเพราะว่าเพื่อนผมเสียในน้ําตกครับใช่ใช่บังเอิญนิโอ้นั่นแหละนะครับอ้าวยังไงก็สู้ๆนะคุณเอ็กซ์นะเดี๋ยวให้หน้าผมจะมาเล่าเรื่องเพื่อนให้คุณนิังครับผมเพื่อนต่างถิ่นอีกคนหนึงครับได้ได้ได้นะครับแต่ถ้าวันไหนสมมติว่าคุณเอ็กซ์บังเอิญเจอเพื่อนคนที่หนึ่ง มาเล่าอัปเดตให้พวกเราฟังด้วยนะได้ครับคุณนะได้ครับคุณ X ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม u ับสไค b e ์ช anel the ghost radio official กันด้วยนะครับ